ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแปดประการครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทได้ยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อที่เมื่อมอมฉันฟังแล้วจะพึงหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคกรัดว่าโคตมี ท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่าหนึ่งทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด 2. องทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ไม่เป็นไปเพื่อความพลาด 3. ามทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อการสะสมไม่เป็นไปเพื่อการไม่สะสม สีท่ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักมากไม่เป็นไปเพื่อความมักน้อยห้าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่เป็นไปเพื่อความสันโดษ 6. กทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะไม่เป็นไปเพื่อความสงัด 7. จ็ดทำเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความเกียิคร้านไม่เป็นไปเพื่อปรารบความเพียร 8. ทําเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโคตมีท่านพึงจาไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินัยนั่นไม่ใช่สัตธุศาส โคตมีท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่าหนึ่งทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด 2. องทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพร่าไม่เป็นไปเพื่อความประกอบไว้ 3. ามทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไม่สะสมไม่เป็นไปเพื่อความสะสม สทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่เป็นไปเพื่อความมักมาก 5. าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสันโดษไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ 6. ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสงดัดไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะ 7. ทำเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความปรารบความเพียรไม่เป็นไปเพื่อความเกียิคร้าน 8. ปดทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยากโคตมีท่านจงจำไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นสัตตุศาสตร์